การส่งผลของกมเคยทำอะไรทำดีหรือร้ลมันคือกรรมแม่ดวและดาวจะไม่พรา้าแซนแม้วันนี้จะอ่อนรด้วยว่าทำดี ทนให้ยิ้มและสู้อดทนมีนานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห็นดูอยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรอ้นเหตุคือใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอ ต้องทุกต้องทนดูไรเหตุผลกายแต่โทษฟ้าโทษ ด, ดาวและในความจร